หน้าที่พิเศษพุทธศักราช 2,499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและเสด็จประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงปฏิบัติสมณธรรมเป็นเวลา15วันจึงทรงลาผนวด ในการเสด็จออกทรงผนวตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์สำคัญของชาติและเป็นภารกิจสำคัญของวัดบวรนิเวศวิหารที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการทรงผนวดครั้งนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีสมพระราชประสงค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระญาณวงศ์พระราชาอุ ป, ปัฏฐายาจารย์ในการทรงผนวตครั้งนี้ ได้ทรงเลือกเจ้าพระคุณสมเด็จขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระโสภนคณาพรให้เป็นพระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงในการทรงผนวตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นหน้าที่สำคัญเพราะจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ถวายคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการทรงผนวดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับแต่ก่อนการทรงผนวตจนตลอดระยะเวลาแห่งการทรงผนวต การที่เจ้าประคุณสมเด็จทรงได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษดังกล่าวนี้สแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงไว้วางพระทัยในพระปฏิปทาและความสามารถของเจ้าประคุณสมเด็จว่าจะทรงปฏิบัติที่สำคัญครั้งนี้ได้เรียบร้อยสมบูรณ์และก็ปรากฏว่าเจ้าประคุณสมเด็จได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พระอภิบาลสนองพระเดชพระคุณได้เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการ จากการที่ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พระอาภิบาลในการทรงผนวดครั้งนี้เจ้าพระคุณสมเด็จจึงได้ทรงเป็นที่ทรงเคารพนับถือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแต่บัดนั้นและทรงรับหน้าที่ถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมกถาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่างๆตลอดมาทั้งที่เป็นงานพระราชพิธีและเป็นการส่วนพระองค์ พุทธศักราช 2,521 สมเด็จพระบรมโอรสสาทิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุแล ะ, สะเสด็จประทับบำเพ็ญสมณธรรมณวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15วันจึงทรงลาผนวดเจ้าพระคุณสมเด็จขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรก็ทรงได้รับอาราธนาให้เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในพระราชาพิธีทรงผนวดโดยที่สมเด็จพระสังฆราชวาสนามหาเทระวัดราชบพิษทรงเป็นพระราชาอุปัฏยาจารย์เจ้าพระคุณสมเด็จทรงทําหน้าที่เป็นพระอาจารย์ถวายพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาแห่ก ง, ง, งก า, ารทรงผนวดนน้ออมมใจกาาายยตรู ทูในพระบุญญาองค์สังขราชาไทยสมองค์พระอภิบาลราชนสมดังสูวนรวมศรัทธาด้วยหัวใจสมทำสายทานที่ยังรน Suklon in paramita sang khabida koi pramson.